สุตันตาปิดกสังยุตตนิกายสักขารวักเทวตาสังยุตรประมวลเรื่องเทวดาเทวดาที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนมากจะไปด้วยเหตุสองประการคือไปทูลถามปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอีกอย่างหนึ่งตนคิดคำสุภาษิตหรือคติธรรมอะไรได้ก็ไปกล่าวต่อพระพักทานองขอความเห็นจากพระพุทธเจ้า ถ้าพระองค์เห็นว่าเหมาะสมแล้วก็จะตรัสรับรองถ้าทรงเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ก็จะตรัสที่ถูกต้องให้ฟังเทวตาสังยุต์นี้แบ่งเป็นสูตรสั้นๆรวมสามสิบสูตรเป็นคาถาหรือบทกวีทั้งคำถามคำตอบมีร้อยแก้วปนบ้างส่วนมากภัยราเอทั้งคำและความจะขอยกมาเป็นตัวอย่างบางสูตร สำหรับเนื้อหาหลายส่วนในบทความนี้จะมีทั้งภาษาไทยและบาลีนะครับขออนุญาตอ่านเฉพาะภาษาไทยเท่านั้นเทวดาทูลว่าการเวลาล่วงไปราตรีผ่านไปไวัยก็ผ่านไปตามลำดับเมื่อกลัวตายพึงทาบุญที่จะนำสุขมาให้พระพุทธเจ้าตรัสตอบเหมือนข้อความข้างต้น และเพิ่มข้อความสุดท้ายคือพึงละโลกามิตรมุ่งสันติในวงเล็บนิพพานเทวดาทูลว่าตัดเท่าไหร่ละเท่าไห ร, ร่เจริญเท่าไหร่ข้ามเท่าไหร่จึงเรียกข้ามน้ำพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าตัดออกห้าละห้าจเจริญอีกห้าข้ามห้า เรียกว่าข้ามน้ำเทวดาทูลว่าอยู่ลำนาวไพรสงบประพฤติปรมจันฉันมือเดียวทำไมผิวพันธ์ผ่องใสนักตรัสตอบว่าไม่หวนถึงอดีตไม่คิดพวาวง์อนาคตมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันผิวพันธ์จึงผ่องใสเทวดาทูลว่า คนมีบุตรเพลิดเพลินเพราะบุตรมีโคเพลินเพราะโคมีสมบัติเพลิดเพลินเพราะสมบัติไร้สมบัติหามีความเพลิดเพลินไม่ตรัสตอบว่าคนมีบุตรเศร้าโศกเพราะบุตรมีโคเศร้าโศกเพราะโคมีสมบัติเศร้าโศกเพราะสมบัติไร้สมบัตินั่นแหละไม่เศร้าโศก เทวดาถามว่ากระท่อมท่านรังท่านผู้สืบต่อท่านพันทะท่านไม่มีหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีในความหมายของตถาคตมารดาคือกระท่อมภริยาคือรังบุตรคือผู้สืบทอดตันหาคือพันทะสิ่งเหล่านี้เราละได้หมดแล้วเทวดาชมเชยว่าดีจริง ท่านไม่มีกระท่อมไม่มีรังไม่มีผู้สืบทอดไม่มีพันธะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงเอาเยี่ยงเต่าหดหัวในกระดองภิกษุระงับความตรึกตรองกุศลไม่ทยานอยากไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าร้ายใครสงบเย็นจริงเทวดาทูลว่า ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกหมู่สัตว์ถูกตัวยุ่งพันนุงนางท่านโคตมะเราขอถามใครจะสางเรื่องยุ่งนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคนมีปัญญามั่นในศีลจเจริญสมาธิและปัญญาฉลาดขยันเห็นภยัยย่อมสางเรื่องยุ่งนี้ได้ เทวดาหกตนแต่งสโลกสุภาษิตตนละบทพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างก็กล่าวสโลกของตนแข่งขันกันว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสชมเชยสโลกของใครไพเราะกว่าเทวดาตนแรกกล่าวว่าควรสมาคมสนิทสนมสัตบุรุษเพราะจะทำให้มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมตนที่สองกล่าวเหมือนกันแต่ลงท้ายว่า คนคบสัตบุรุษย่อมได้ปัญญาตนที่สามกล่าวว่าคนคบสัตบุรุษย่อมรุ่งเรืองในหมู่ญาติตนที่สี่กล่าวว่าคนคบสัตบุรุษย่อมไปสู่สุขคติตนที่ห้ากล่าวว่าคนคบสัตบุรุษย่อมไม่เศร้าโศกตนที่หกกล่าวว่าคนคบสัตบุรุษย่อมดำรงตอนอยู่สุขสบาย พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าคำกล่าวของเทวดาแต่ละตนเป็นสุภาษิตคือกล่าวชอบแต่ยังไม่สมบูรณ์พระองค์จึงตรัสแก้ให้ว่าคนคบสัตบุรุษแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงหมายเหตุสัตบุรุษสัตว์ในที่นี้สะกดด้วยสอเสือไม่หันอากาศต่อเตา เทวดาทูลว่าทาได้แล้วค่อยพูดทำไม่ได้อย่าพูดคนทำไม่ได้ดีแต่พูดคนฉลาดเขาดูออกพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กาลังผู้ให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้ผิวพรุ์ผู้ให้ยานชื่อว่าให้ความสุขยานในที่นี้คือพาหนะนะครับผู้ให้ประทีป ชื่อว่าให้จักสุประทีปคือแสงสว่างผู้ให้ที่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างผู้สอนธรรมะชื่อว่าให้อัมตะตรัสว่าทางนั้นตรงทิศทางนั้นไม่มีภัยรถวิ่งไปไร้เสียงมีธรรมะเป็นล้อฮิริเป็นตัวถังสติเป็นกันชน สัมมาทิฏฐิเป็นสารถีบุรุษหรือสตรีมีรถชนิดนี้ย่อมไปสู่จุดหมายคือนิพพานตรัสว่าบุตรเป็นพื้นฐานของมนุษย์ภริยาเป็นยอดสหายหมู่สัตว์ในแผ่นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพธงเป็นเครื่องหมายของรถควันเป็นเครื่องหมายของไฟ พระราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นพัสดาเป็นสง่าแห่งสตรีมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปราะกาวว่าประเสริฐสุดรูปร่างของสัตว์ทั้งหลายย่อมเสื่อมไปชื่อและโครหาเสื่อมสิ้นไปไม่ความโลภเป็นอันตรายต่อความดีวัยสิ้นไปตามวันคืน สตรีเป็นมวลทินแห่งพรหมจันร์ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นเครื่องตื่นในโลกเทวบุตรสังยุตประมวลเรื่องเทวบุตรเข้าใจว่าเทวดาเพศหญิงเป็นเทพธิดาส่วนเทวบุตรคือเทวดาเพศชาย ส่วนนี้มีโครงสร้างคล้ายกับเทวตาสังยุตจะต่างแต่เนื้อหาสาระเท่านั้นแต่ก็มีหลายบทซ้ำกับเทวตาสังยุตหลายบทซ้ำกับคาถาธรรมบทขอยกตัวอย่างดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าค่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขค่าความโกรธแล้วไม่เศร้าโศกความโกรธมีรากเป็นพิษมียอดหอมหวาน ใครฆ่าได้พระอริยเจ้าสรรเสริญเพราะฆ่าความโกรธแล้วไม่เศร้าโศกในโลกนี้มีแสงสว่างอยู่เพียงสี่แสงที่ห้าไม่มีพระอาทิตย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนส่วนไฟทั้งกลางวันและกลางคืนก็สว่างสวัยได้พระพุทธเจ้านับเป็นยอดแสงสว่าง ไม่มีแสงสว่างอะไรรุ่งโรดไปกว่านี้อยู่ในที่คับแคบยากไรแต่ตั้งใจมุ่งนิพพานนับว่ามีกมลมา ا มั่นคงมาในที่นี้สะกดด้วยมอม้าสละาลลิงยอยักษกรันนะครับจันทิมาสูตรและสุริยสูตรในเทวปุตสังยุต มีสูตรแปลกอยู่สองสูตรคือจันทิมาสูตรและสุริยสูตรกล่าวถึงจันทิมาเทวบุตรคือพระจันทร์และสุริยเทวบุตรคือพระอาทิตถูกราหูจับได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะคับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าด้วย พระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกอสุรินทราหูว่าจันทิมาเทวบุตรและสุริยะเทวบุตรได้ถึงเราตถาคตเป็นที่พึ่งแล้วท่านจงปล่อยพวกเขาไปเถิดอสุรินทราหูปล่อยเหยื่อแล้วกระหือกระหอบไปเฝ้าเวปจิตติจอมอสูนเมื่อถูกถามจึงรายงานให้จอมอสูนทราบว่ากลัวพระพุทธเจ้าจึงรีบปล่อยพระจันทร์และพระอาทิตย์หนีมา มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าพระสูตรนี้แปลกปลอมเข้ามาดังมีอีกหลายสูตรที่เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นมีเขาว่าถูกสอดแทรกเข้ามาในยุคที่นำเอาพระสูตรไปสวดเป็นปริษต์ป้องกันพยันตรายต่างๆซึ่งเป็นยุคหลังพุทธกาลมาดูข้อสังเกตข้างท้าย